แต่ต้องระวังอันไหนก็ได้จะทำให้พุทธศาสนางอนเงันชาวพุทธต้องมีหลักที่แน่ชัดให้ปฏิบัติเด็ดแนวเป็นหนึ่งเดียวแต่การพูดว่าอันไหนก็ได้เนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะทำให้ชาวพุทธเหมือนว่าไม่มีอะไรลงตัวแน่นอนแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่เอาอะไรก็ได้งอนเงนงอนเงนัง น, งนหรือแกว่งไปแกว่งมาเหมือนไม่มีหลัก ก็จะกลายเป็นไม่ได้เรื่องเราต้องชัดเจนว่าที่ว่าอันไหนก็ได้นั้นทั้งหมดคืออันเดียวกันทำไมจึงว่าเป็นอันเดียวกันเพราะว่าการพูดถึงหลักคำสอนเหล่านี้นั้นเป็นการพูดโดยจับแง่จับมุมต่างๆกันของคำสอนซึ่งที่จริงทั้งหมดอยู่ในระบบเดียวกันโยงถึงกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะจับที่จุดไหนก็โยงถึงกันได้ทั้งนั้นขอชี้แจงอย่างง่ายๆถ้าเราพูดว่าหัวใจพระพุทธศาสนาคือเว้นชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสก็จะเห็นว่าหัวใจที่ว่านี้เป็นหลักในเชิงปฏิบัติทั้งนั้นคือเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตว่าเราจะไม่ทำชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใส ทีนี้ลองหันไปดูหลักอริยสัจสีซึ่งมีทุกสมุทยัยนิโรธมรรคจะเห็นว่าข้อที่สีคือมรรคเป็นข้อปฏิบัติถ้าพูดว่ามรรคมีองค์แดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้ายองค์ทั้ง8ดนี้มีทั้งแดข้อก็จำยากจึงย่อง่ายๆ่ายเหลือสามเท่านั้นคือศีลสมาธิปัญญา ชาวพุทธจำกันแม่นว่ามักมีองค์แปดจำให้ง่ายก็สรุปเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นอธิบายง่ายๆว่าเว้นชั่วสมาธิก็คือทำความดีให้ถึงพร้อมเพราะความดีแท้จริงที่สุดก็เป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมต่างๆอยู่ในจิตใจซึ่งจะต้องบำเพ็ญขึ้นมาให้พร้อม และสุดท้ายปัญญาก็ได้แก่ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะการที่จิตจะบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงก็ต้องหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ด้วยปัญญาฉะนั้นเว้นชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเว้นชั่วเป็นศีลทําดีเป็นสมาธิชําระจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นปัญญา พอแยกแยะอย่างนี้ก็เห็นแล้วว่าอ๋อเว้นชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์ที่ว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนานั้นก็อยู่ในมรคนี้เองเป็นอริยศาสตร์ข้อที่สคือข้อสุดท้ายตกลงว่าหัวใจพระพุทธศาสนานในวันมาค้าบูชานี้เป็นส่วนหนึ่งในอริยศาสตร์คือเป็นอริยศาสตร์ข้อสุดท้ายได้แก่มรรคซึ่งเป็นภาคปฏิบัติอริยศาสตร์ สิ่งกว้างกว่าและครอบคลุมหลักหัวใจพระพุทธศาสนาในวันมาค้าบูชาทุกขคือตัวปัญหาเป็นสิ่งที่เราไม่เอาแต่เราก็ยังไม่ต้องปฏิบัติเราต้องรู้ให้ชัดว่าอะไรเป็นปัญหาที่เราจะต้องพ้นไปสมุทัยคือตัวเหตุแห่งทุกขซึ่งต้องสืบสาวให้รู้ตามหลักความจริงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าอ๋อ ทุกเกิดจากเหตุและเหตุนั้นคืออะไรเหตุนั้นเรารู้ว่าจะต้องกําจัดแต่เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรจากนั้นเราก็รู้ด้วยว่าเมื่อกําจัดเหตุแห่งทุกข์ได้เราจะเข้าถึงจุดหมายคือนิโรธแต่ทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยการลงมือทําในข้อสุดท้ายคือมรรคฉะนั้นทุก สมุ ท, ทยัยนิโรธสามอย่างนี้เราเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อมันแต่เราปฏิบัติมันไม่ได้สิ่งที่จะปฏิบัติได้คือข้อที่สได้แก่มรรคเมื่อเราปฏิบัติตามมรรคเราก็กําจัดสมุ ท, ทยัยแก้เหตุแห่งทุกข์ได้เราก็พ้นจากทุกข์หมดปัญหาแล้วเราก็บรรลุนิโรธเข้าถึงจุดหมายได้ เพราะฉะนั้นด้วยมัคข้อเดียวนี้สามารถทำให้สำเร็จงานสำหรับสามข้อแรกทั้งหมดเป็นอันว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติมีอยู่ข้อเดียวคือข้อสี่แต่เราต้องรู้สามข้อต้นด้วยถึงตอนนี้ก็หันกลับไปดูหลักเว้นชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์จะเห็นว่าเป็นหลักการในภาคปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในมัค คือข้อที่สของอริยสัจเพราะมักเป็นฝ่ายลงมือทําลงมือปฏิบัติส่วนในแง่ของหลักความจริงตามสภาวะว่าเป็นอย่างไรจุดหมายคืออย่างไรก็อยู่ในข้อหนึ่งสองสของอริยสัจเพราะฉะนั้นอริยสัจกว้างกว่าและครอบคลุมคือครอบคลุมหลักเว้นชั่วทำดีทําใจให้บริสุทธิ์ด้วย ถ้าเราต้องการจะพูดเฉพาะในเชิงปฏิบัติในภาคลงมือทำหรือในการดําเนินชีวิตเราก็พูดในแง่เว้นชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์เอาแค่นี้ว่าหัวใจพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ปฏิบัติเท่านี้ก็ครบหมดเพราะเป็นของที่ให้ลงมือทําปฏิบัติได้ทันทีถ้าพูดถึงอริยศาสตร์ก็กว้างขวางและต้องทําความเข้าใจกันมาก สำหรับชาวพุทธทั่วไปเริ่มต้นก็ให้เห็นก่อนว่าจะปฏิบัติอะไรแต่เมื่อปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดความจาเป็นต้องรู้หลักการหรือหลักความจริงทั่วไปด้วยมีฉะนั้นการปฏิบัติก็ไปไม่ตลอดถึงตอนนั้นก็ต้องรู้หลักอริยสัจสีแต่เบื้องต้นนี้พอพูดขึ้นมาก็ให้เริ่มปฏิบัติได้เลย อันว่าเริ่มต้นเราบอกว่าเอานะเว้นชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์ก็เข้าใจง่ายทําได้เลยสะดวกก็เอาอันนี้มาเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาแล้วจากหลักปฏิบัตินี้เราก็ก้าวไปสู่หลักการที่ใหญ่ขึ้นไปคือก้าวไปสู่หลักอริยสัจซึ่งเป็นหลักที่ครอบคลุมสมบูรณ์ไปเลยพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับบอกว่า หลักเว้นชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี้เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาภาคบทนำหรือเป็นบทนำที่เปิดเข้าสู่หัวใจพระพุทธศาสนาอย่าลืมว่าได้หลักแน่ชัดแล้วนะเริ่มด้วยเว้นชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่แหละเอาเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาไว้ก่อน และก้าวต่อไปให้ครบอริยสัจ ท, ทั้งสี่ให้ได้จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงและสมบูรณ์